สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะสีน่นาาสานาทีถึงห้านาฬิกานะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยเราทั้งสองคนค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ณัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาควิจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชยาชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุง ย, ยุ้ย สวัสดีครับน้องีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองสถานีด้วยครับผมค่ะก็มาเจอกับเราค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีหลากหลายเรื่องราวของศิทธวิทยาดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะาวันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะลุงถ้ามีหลานมีน้องอืมเราพูดถึงคาพูดที่ทาร้ายจิตใจลูกหลานแบบโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่มันเป็นความเคยชินนะคะที่เราอาจจะพูดไปโดยที่เราไม่ได้คิดอ่าเป็นความเคยชินด้วยเป็นความรู้สึกว่าเออฉันพูดไปเนี่ย<ะ>เพื่อให้เธอดีขึ้นนะปรารถนาดีหาวหวั ง, งดีแต่ประสงค์ร้าย จริงๆเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่ามันอาจจะร้ายหรือว่ามันมีผลทางจิตวิทยากับเด็กๆนะคะใช่ครับใช่จะมีแน่ๆครับวันนี้อเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนจะต้องฟังเลยนะคะว่าบางทีคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมแบบที่เราสองคนจะมาพูดคุยให้ฟังบางหรือเปล่านะคะคุงยุ้ยคิดว่าคนที่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เขาควรจะต้องมีจิตวิทยากับลูกอย่างไรคะคนที่จะมีจิตวิทยาไหมคะในการใช้ชีวิตกับลูกต้องตอบอย่างนี้คว่า ควรจะมีเลยล่ะนะครับเพราะว่าคุณอยากคิดว่าลูกคือลูกคือสมบัติของเราเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ ล, ละล่ะคนะครับแต่เราจะต้องคิดว่าลูกคือผลผลิตของความรักระหว่างพ่อกับแม่เนาะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยเลี้ยงยังไงให้เขาเป็นเด็กที่เขาเรียกว่า EQ ะครับเก่งทั้งความคิดแล้วก็มีเก่งทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกที่ดีด้วยะนะครับเพราะฉะนั้น พ่อแม่ควรที่จะมีจุวิยาขับลูกนะครับแล้วสิ่งที่บอกว่าควรจะมีเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกอ่ะอย่าบางคนคืออันนี้เคยเห็นนะครับบางคนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงสัตว์อ่ะเข้าใจคำว่าเลี้ยงสัตว์ไหมครับไม่ได้หมายความว่าทำไมที่ไม่มีลูกไงที่ก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงเหมือนเลี้ยงสัตว์ยังไงเลี้ยงสัตว์คืออย่างนี้คือเวลารักใครก็เอาเข้ามากอดเอาเข้ามาหอมเข้ามาทะนุถนอมเวลาหงุดหงิดโมโหก็ไอ้ กออกไปตัวชันเลย <c oughs> อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ค่ะเนี่ยมันมันก็เลยรู้สึกว่าเด็กเขาก็จะไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เขาทําแล้วพ่อแม่รักพฤติกรรมแบบไหนที่พ่อแม่ไม่ชอบค่ะ <c oughs> นะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือจิตวิญญาหมดเลยออืนะครับแล้วคนที่จะมีพื้นฐานข้อใดในในตัวไหมคะคุณพ่อคุณแม่อย่างอาจจะต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของลูกไม่ไม่เป็นไม่ไม่ยึด มันอยู่ในความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะลุงอ่ามีนะครับคนคนเป็นพ่อแม่ในในในวัยเด็กลูกยังเด็กอยู่นะครับเราเราเราต้องการช่วยเขาปลอดภัยนั่นแหละดีที่สุดแต่ไม่ใช่ไปครอบเขาหรือปกป้องเขาหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ใช่มันไม่ไหวใช่ครับคือมันยางต้องให้เขาเรียนรู้อือเรื่องบางเรื่องเนี้ยเขาจะต้องอย่างเช่นเขาจะเดินไปเนาะเดินไปแล้วจะไป ้มไปเกิดอันตรายเนี้ยไปเกิดอันตรายเราเราอาจจะต้องช่วยนะตรงนั้นแต่ถ้าเขาล้มแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้แล้วเราก็เออเก่งนี่ลุกขึ้นมาเลยลูกอันนั้นก็คือการช่วยเขาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าพอล้มปุ๊บแล้วก็ไม่ร้องนะไม่ร้องร้อ ง, องตีนะก็มันเจ็บนี่ลุงบางทีมันก็เจ็บเจ็บมันก็ต้องร้องแต่ถึงไม่อยากให้พูดเลยคราบว่าก็ในเมื่อมันเจ็บไงแล้วผู้ปกครองพ่อแม่กลับ กลับไปห้ามในสิ่งที่เด็กเขาเขาต้องทําอ่ะคือที่มีเรื่องเล่าจะถามลุงเป็นกรณีศึกษานะคะคือที่ได้ไปเห็นด้วยตัวของตัวเองอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีนักฟุตบอลที่เป็นเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะออมีเด็กผู้ชายคนนึงเป็นเด็กแถาแถวหมู่บ้านที่เนี่ยเขาไปไปเตะบอลเขาต้องยิงลูกโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงแล้วปรากฏว่าเขาก็คงกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็มาเชียร์แถวว่าแล้วเขายิงไม่เข้า คือพอไปถึงเขาเขายิงไม่เข้าแล้วแม่เขาก็ด่าเขาอยู่ข้างสนามเอเอเราทําให้เด็กผู้ชายคนเนี้ยกลัวกับการต้องไปยิงลูกโทไม่อยากเป็นปานอีกเลยเขาถ้าใครเรื่องให้เขายิงลูกโทษเขาเขาไม่กล้าเขากลัวเพราะว่าตอนที่แม่เขาบนเขาด่าเขาเขากดดันน่ะไม่รู้สิแต่ถ้าเป็นเป็นทางทางทีทีอาจจะเดินไปกอดเขาหรือว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันกลมกลมแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ด่าว่าทํำไมอย่างนั้นอย่างนี้ ที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีแน่น่ะเพื่ถ้ามีโอกาสนะคะอย่างนี้ครับต้องบอกบอกท่านลู้ฟังอย่างนี้ครับว่าไอ้การที่กรณีเนี้ยที่แม่ไปว่าเนี่ยเขาเนี่ยการยิงลูกโทษหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทาดว่าน่าจะง่ายเข้าง่ายๆเนี่ยมันกดดันมากเลยนะคนทั้งสนามคนทั้งทีมมันกดดันมากเลยนะคือก็อาจจะเต็มที่แล้วใช่ <อ S 2> แ, <ล>แต่พอยิงไม่เข้าปุ๊บหนึ่งตัวเองเสียใจละสอง เส้่นสูงแค่หลุดป่างออกมาว่าอะไรวะ ม, มันเสียใจไปอีกส่วนหนึ่งน ะ, ะแม่มายืนเชียร์ท่าสนามแานที่บ ะ, ะกดมือเอาลูกไม่เปว่าลูกดาลูกก็ไปเขาจะหมดความรู้สึกของความเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะ ค, คือแม่จะว่าไหนจะคนเชียร์ทีมเราคุณพ่อคุณแม่คนอื่นก็ ก็จะพูดก็จะบน่นอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะคะคือจริ ง, รงๆอยากให้มองว่ามันเป็นกีฬาเหมือนกันนะคะอันนี้คือมาเป็นรกรณีศึกษาว่าถ้าแข่งขันมันมีแพ้มีชนะมันมีทั้งเข้าแล้วไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะกลัวไปเลยกับกันที่ต้องออกไปยิงลูกโทษก็จะไม่อยากออกไปยิงอีกต้องครับเนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนมีมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่กล้าทาค่ะ ก็นอกจากกรณีศึกษาแล้วคะลุงปัจจุบันก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ซิงเกิลมัมกันอเออเลี้ยง เ, เดีย่ยวนะคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีพวกเขาควรจะมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกอย่างไรคะถ้าต้องเลี้ยงคนเดียวอะไงานก็ต้องทําคืออันแรกเลยสําหรับลุงลงคิดว่าไม่ว่าภาระมันจะหนักแค่ไหนเนี่ยอย่าใส่อารมณ์กับลูกค่ะนะครับเพราะว่าการใส่อารมณ์ไปแล้วก็หรือว่าตี นะครับน้องทีเคยเห็นไหมว่าที่เด็กบางคนแม่บอกไว้แล้วนะหนูตรงนี้เนี่ยมันน้ําแฉะนะอย่าเดินไปนะลูกคไอ้เด็กไม่รู้เรื่องเราครับเด็กก็เดินไปแล้วก็ล้มแผลเข้าให้แม่สงสารนะแต่แม่ใช้พฤติกรรมโดยการตีตีตี ต, ต, ต, ตีแล้วก็ว่าลูกบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่าไม่ให้ทําอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้เด็กยิ่งร้องไห้หนักเขาไปอีกเด็กเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยประวัตหลัก ไมรู้วดเทานัว่าไม่รักไงใช่ครับใช่นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อย่าใช้อารมณ์กับลูกะนะครับเพราะนั้นศิ่ยา <Okay. S 2> อีกอันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือเวลาที่เลี้ยงเดี่ยวเลยถ้าคุณคิดว่าคุณเหนื่อยจริงๆเนี่ยคุณออกมาจากลูกก่อนเลยนะครับห่างออกมาจากตัวลูกก่อนเพราะว่าดีไม่ดีเราอาจจะไปพูดอะไรที่มันรุนแรงเกินไปเขาเสียใจ แล้วมันฝังใจเจ็บแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นเป็ น, ปนบาปติดตัวนะครับอืมบางทีเราเราอาจจะอารมณ์ไม่ดีเราอาจจะหงุดหงิดนะคะคไม่อยากให้ใ<ช>เอามา<ช> <ๆ S 1> ลงกับลูกนะคะ <ๆ S 1> บางทีออืมบางทีก็เหนื่อยถ้าพักก็อย่างกัที่ลุงบอกว่าอาจจะอาจจะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวพอไอ้ไนี่นี่แล้วเดี๋ยวแม่ขอไปพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มากลับมาคุยกันหรืออะไรก็ก็ว่ากันไปอย่างเนี้นะคะคนนี้เขาลุงเด็กเด็กที่เข้ามาจากครอบครัวที่แตกแยกบ้างละลุง เขาจะมีปัญหาที่พอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาสร้างปัญหาให้กับสังคมไหมคะในกรณีนี้นะคะมันมีสองแบบคือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอดีตของเขาเนี่ยมาคิดแล้วมาปรับว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องนั้นอีกอืมบางคนเขาก็ค่ะใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ปัญหานั้นลดลงได้แต่ส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่า พอเวลาครอบครัวที่แต่แยกคอบครัวเขาจะเห็นไอ้สิ่งที่เลวร้ายมาเยอะเพราะนั้นเขาจะมองว่าถ้าเขาทําแค่นี้หรือใครทําค่มันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าที่ฉันเคยเห็นเมื่อนั้นฉันไม่ฉันว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติมันก็จะเป็นความรุนแรงความก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วสังคมมันก็จะกลายเป็นสังคมที่ถูกหล่อหลอมไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็จะแยกกันไปหมด เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วกันนะคะลุงเดี๋ยวเบรคที่สองเนี่ยเราจะมาพูดว่าคำพูดอะไรบ้างละ่ะที่เราไม่ควรพูดกับลูกนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่สะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University อออกครับพจได้ไมในวน คันเล็กคันโปรดนั้นสใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการ่ลนและให้วิ่งไปจนวันที่เห็นพืนมีคันหมเป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่าพอจำได้ไหมผมทำวัน คือของที่ผมปรารถนาผมร้องผมงองไงจนกว่าพอ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องไห้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ ว่าตัวเขาใจในี่โตเกินไว้หรือเปล่าใคขิงเหงาหรือใจมันใหญ่ไปพอครับขาวาความรัก น, นมาเติมเต็มชี่ว่างในใจอยากรู้มีใคริงไหหรือเปล่าก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขารักกันอย่างนั้นผมคุณจะ อินดีให้แต่ว่าปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้นผมรักคงผมอยู่มากมายแล้วผมต้องทำยังไงให้เขาทิ้งกันมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องให้กี่ครั้งให้เขาและเธอริงความความรักแล้วเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอ สั ก, กีนน้ำตาให้เธอเห็นใจที่เคยบอกว่าให้รักใครไปสุดท้ายจะด้เหมือนกันกลับขึ้นมาแต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคาที่บางทีทั้งใจก็ไม่มีความหมายทุ่มเทเท่าไรเธอไม่ยอมขาย แล้วผมต้องทำยังไงพอช่วยพร้อมที่บอกได้ไหมว่ามันต้องใช้น้าตาแค่ไหนหต้องร้องไห้กี่ครั้งให้เขาและเธอถึงความความรักแล้เวลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้ สู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะวันนี้เราพูดถึงคําพูดซึ่งทําร้ายจิตใจรูปของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวห้ามพูดเลยนะคะลุงเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวลุงยุ้ยต้องดูว่าลุงยุ้ยก็มีลูกชายเหมือนกันลุงยุ้ยเคยพูดคําพวกนี้หรือเปล่าไม่น่าจะพูดใช่ไหมคะคําพูดอะไรคะลุงที่เราไม่ควรพูดเลยค่ะคือคําว่าอย่าอันเนี้ยชัดมากอืนะครับ เพราะว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆถือว่าเด็กเอื้อมมือที่จะไปหยิบอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมันอาจจะทําให้เกินอันตรายกับเด็กก็จริงนะครับแต่ถ้าเผืว่วาบอกหยาปุ๊บเนี่ยเขาจะหดมือแล้วเขาจะไม่รู้เลยนะว่าอยาแปลว่าอะไรในนั้นหยาแปลว่าอะไรแต่ถ้าเรียกเรียกชื่อครก่อนแล้วก็บอกว่ามาหามา ah พ่อก่อนลูกมาหาแม่ก่อนลูกแล้วค่อยๆ อ, อธิบายเขาฝัง ค่ะเพราะฉนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าหยาปุ๊บนั่นคือการหยุดพฤติกรรมที่เขาอยากรู้ลงไปค่ะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยขนาดเดียวกันอันต่อไปคือคําพูดที่เปรียบเทียบพอดีน้องทีเป็นลูกคนเดียวเอาบางคนบางคนเขาเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านนะลุงทางจังหวัดทีไปดูลูกเขาบ้างซิเออันนี้เหรอ ไปดูลูกเขาบ้างสิเนี่ยมันเจ็บช้ำน้ําใจมากเลยก็ต้องดูสว่ า, วาลูกเขาเรียนเก่งขนาดไหนแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ก็รู้สึกว่าประชดประชันพ่อแม่ไปเลยว่าเออผมไม่เก่งหนูไม่เก่งแล้วลูกเขามันเลี้ยงเลยไหมล่ะ อ, อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินใช่ไหมครับคือถ้าบอกว่าเกิดในครอบครัวมีพี่น้องสองสาคนแล้วมีการเปรียบเทียบปุ้บคนที่ได้รับการ อว่าโดนว่าเนี่ยจะรู้สึกผิดไปเยอะเลยแล้วจะน้อยเสื้อตำใจเจอเสียใจส่วนไอ้คนที่ได้รับการเยินยอก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยทำอะไรถูกแล้วก็จะก ว, กว่าคนอื่นเกินกว่าถ้าบอกว่าเป็นน้องได้รับคาชมก็จะไม่กลัวพี่นะครับพี่ไม่เคยทำอะไรถูกแม่ยังบอกว่าพี่โง่เลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแย่เลยอ่ะอ ยิ่งเฉพาะมีะลูกหลายๆคนคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะครับผมมีอีกไหมคะลุงต่อไปคือต่ว่าลูกต่อหน้าคนอื่นโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเสียหน้าเสียตาอยู่พสอสมควรนะอันนี้ที่เสริมนิดนึงแล้วกันนะคะลุงไม่เฉพาะ<ด>ลูก<ด>หรอกบางคนก็ชอบว่าสามีต่อหน้าคนอื่น ว่าภรรยา<อ>ต่อหน้าคนอื่นเอออันนี้ก็จะเห็นทั่ว <he en S 2> ไ, ไปว่าเอาสามีมาว่าต่อหน้าคนอื่น <laughs> มันไม่ดียังไงนะคะลุงมันไม่ดีอย่างไรคะ ม, มันทําให้คนที่โดนว่าเนี่ยเสียหน้าไม่พอแนละ้วทำให้รู้สึกว่าฉันนี่มันเป็นคนไม่เอาไหนในใสายตาคุณไม่พอนะยังในสายตาของเพื่อนคุณอีกนะอืมหรือในสายตาถ้าเป็นลูกก็คือในสายตาของ เพื่อนบ้านอีกนะซึ่งเด็กอ่ะถ้าเด็กๆอ่ะเขาเขาว่าอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าบ้านนี้มันไม่น่าอยู่ละนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะจะต้องไปออกจากบ้านเนี่ยมันมีสูงนะเพราะเขาเขาทานไม่ไหวนะครับดันั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวครับอย่าว่าครับถ้าว่าเรามาคุยกันเงียบๆในบ้านลครา เรียกมาคุยดีกว่านะคะเข้าวันสองเขามามาบอกแต่ว่าอย่าไปด่าว่าลูกตอนคนอื่นคือไม่มีใครอยากจะถูกว่าต่อหน้าคนอื่นอย่างที่สองคนที่คุณไปด่าให้เขาฟังก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเรานะคะลุงใช่ครับอืเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาพูดอะไรเนี่ยครับแน่นอนเพาเวลาเกิดเรื่องกันมันต้องมีอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเนาะค่ะ แต่เราในฐานะเป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องระงรับอารมณ์ได้เร็วกว่าลูกถูกไหมใช่ค่ะด้วยวุฒิภาวะถูกครับด้วยวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าบอกว่ามันเกิดมันหงุดหงิดใจมากจริงๆอยากจะทําอะไรออกไปเนี่ยนะครับอย่างเก่งที่สุดก็คือพับผ้าออกไปก่อนไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่จริงแหละการที่ให้เด็กออกไปเนี่ยคือการกําลังจะกําลังจะ ระงับสติอารมณ์ของตัวเองคนะครับเพื่อทำให้เรามีสติมากขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้นี่ลูกเรานะเราจะสอนเขายังไงหรือเราจะด่าเขาเขาให้แน่นะครับบางทีก็ไม่ใช่คำพูดแต่ว่าเป็นการคาดหวังก็ก็ทำร้ายเหมือนกันนะคะโอ้นี่ก็น่ากลัวครับเป็นอะไรทั้งเจ็บปวดคาดหวังว่าแล้วก็พูดออกมาอย่างนี้คะลุงทำไมไม่สอบหมอให้ได้เขาได้ เรียนไม่เก่งเราจะเห็นในสังคมหรือในละครอะไรก็แล้วแต่นนเนาจะเห็นบ่อยว่ามีการคาดหวังและเด็กที่โดนคาดหวังเนี่ยนะครับก็บางทีก็มีอาการทางทางโรคจิตหรือโรคประสาทเช่ <c oughs> นเวลาคิดถึงเรื่องที่พ่อแม่ตั้งใจบอกต้องตั้งใจเรียนนะต้องเป็นรุ่นเป็นแะตัวสั่นมือกำหน้าเหลื่อแตกอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวมากเพราะนั้นความคาดหวังไม่ต้องไปคาดหวังมากครับ ค, คุณบางทีคุณคาดหวังเกินเกินสติปัญญาที่ลูกมีอ่ะนะครับแล้วถ้าลูกของเราทำผิดร้ายแรงมากๆลงมันมีผลเสียต่อทรัพย์สินต่ออะไรก็แล้วแต่เราในฐนานะคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการตักเตือนอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรคะคือถ้าเผือว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือทำทาข้าวของพังเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราเราเร า, เราต้อง ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ไม้แข็งไม่ได้ค่ะนะครับต้องบอกเลยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราให้โอกาสแล้วสองผลสามผลก็แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ไม้แข็งบ้างล้วอย่างเช่นการดูดาว่ากล่าวหรือว่าการกําจัดเอ่อจํากัดบริเวณหรือว่าการตัดสิทธิ์อะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดนะค่ะนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าอย่าไล่เขาออกจากบ้าน อลุกปากไล่เขาออกจากบ้านไปไหนก็ไปเลยไปให้พ้นหน้าเลยลุงเออนั่นแหละนะครับสองสองเขาจะไปอยู่แล้วเขาก็บอกเออไม่เป็นไรเราติดเครื่องรออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังครับสุดท้ายค่ะลุงอยากให้ฝากถึงคนเป็นลูกบ้างเราพูดถึงคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะคนเป็นลูกบ้างว่าเราจะทํำยังไงคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจหรือว่าภูมิใจที่มีเราเป็นลูกเนี่ยล่ะค่ะ อืมนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้าที่ของลูกคือทำให้ตัวเองดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ทำในหน้าที่ของตัวเองนะครับเช่นหน้าที่เรียนก็เรียนนะครับวันหนึ่งเขาให้ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นถ้าคุณพร้อมจะทำด้วยก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบกิจกรรมนั้นบอกพ่อแม่เลยครับ หนูไม่อยากเรียนเลยบรรเลาหนูไม่ชอบจริงๆขอไปเตจตะก้อได้ไหมค่ะเห็นไหมครับนี่คือทาอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าว่าว่าเขาก็ทําด้วยความสนุกไม่ได้โวนบังคับนะครับ mm. ะะพอเขาทําอย่างนี้ปุ๊บพอได้อย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าทําได้นะครับะะพอพ่อแม่มาชื่นชมเขามารู้สึกยินดีกับเขาด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเราเป็น เป็นลูกที่พ่อแม่รักน ะ, ะแล้วเขาก็จะทำเรื่องหลังนั้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะก็บางทีอย่าไปบังคับเลยค่ะถ้าทอาอะไรที่มันบังคับติดใจเขาเขาก็จะทำสิ่งนั้นไม่เต็มที่ออกมาก็ไม่ดีหรือว่าก็ครึ่งๆก็ได้นะคะลุงถ้าลูกอยากทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้ด้วยได้ไหมทาแบบนี้ให้คุณพ่ อ, อคุณแม่ด้วยได้ไหม ทำสองอย่า ง, งไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะคก็ลองคุยกันดูแล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรวมถึงคุณลูกก็ต้องเปิดใจรับฟังด้วยเหมือนกันน ะ, ะใช่ครับก็ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะลุงกลับมาพบกับร <า S 1> เ, เรา <ผม S 1> ได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์เลยนะคะสี่นาฬิกาสมสนาทีาถึงห้านาฬิาค่ะดิฉันทีเราวัสดียิ่งมีค่ะลงุงยูน่าตะบงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ จิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นกา ร, รผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาต ร, รฐานสากล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 ในดินรวงข้าวเคยเคราวอวนทองทุ่งขนาที่แห่งนี้เคยมีต้นกล้าของข้าวปลูกไว้เติบโตกล้างแดดฝนไม่เคยวันกังวลสิ่งใดเป็นทุ่งรวงทองสวยใต้ดวงตะวัน